คนมุทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องประสูตรที่เกี่ยวกับธรรมคุณมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงอธิบายนัยยะของระธรรมคุณสามสูตรต่อกันเลยคือท่านมาตั้งคำถาม พระที่พรเจ้าทรงสแสดงว่าธรรมะเป็นสันติโกสติโกเป็นต้นนั้นอย่างไรเรียกว่าเป็นสันิติโกเป็นต้นนี่ย น, นะคก็มาถามด้วยกันสามสูตรแต่มีข้อที่น่าสังเกตว่าพระธรรมคุณนี่จริงมันเริ่มจะสว่างขาโตแต่ว่าท่านไม่ถามจุดนั้นท่านถามจากหลักที่เป็นสันติโกเป็นต้นไป สมาธิเป็นสว่ากขาโตนัน้นเป็นเรื่องขององค์ธรรมหรือกลุ่มธรรมอยู่จา่าทรงจับแนกแสดงไว้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วถ้าเหล่านั้นเชื่อในจุดนี้ในจุดที่ว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องสมบูรณ์คือทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นตามที่เราพูดระวัางงาในเบื้องต้นทรากลางที่สุด แสดงจากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงสุดเวษนาที่ตายกันขึ้นไปเหมือนกับบันไดที่นำคนไปสู่ประสาท ต, ต่อมาตรง น, นั้นก็ถูกจำแนกแสดงออกไปโดยนัยะที่เรเรียกเวในตอนหลังที่เรียกเป็นพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมในส่วนของพระวินัย เรียกว่าเป็นอนาเทศนาเป็นบทบัญญัติที่มีการกำหนดโทษผิดเอาไว้เเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นพุทธานาคือเป็นมาตรการในการลงโทษคนของพระพุทธเจา้าเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นวินยัยจุดเน้นจริงๆจะเน้นที่พวกนักบวช เพราะในพระวินัยวิดก์เราจึงจะพบว่ามันเป็นภิกษุวิพังกับภิกุณีวิพังในบทปัญญาที่เกี่ยวกับภิกษุกับภิกุณีมีทั้งส่วนที่เป็นข้ออนุญาตแล้วข้อที่เหมือนก็ห้ามนะฮะแต่ไม่ถึงกระชายก็มาห้ามหรือยา เปียนเลยบอกว่าถ้าทําอย่างนี้จะผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เช่นพิสูจนฆ่าสัตว์ต้องอบัตประจิตตีก็ไม่ได้บอกว่าฆ่าสัตว์ไม่ได้นะฮะแต่ต้องแล้วก็ถ้าคาแล้วก็ต้องอบัตทิ้งอบัตเหล่านั้นเนี่ยไม่มีใครมาลงโทษเราเพราะเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่เขาสมัครใจเข้ามาบวชเองเขา แล้วานผิดทั้งก็ต้องแก้ไขในตัวตัวเองการแก้ไขนั้นก็มีอยู่สามระดับที่จริงถ้าย่อยจริงๆนะฮะจะมีอยู่สี่ระดับระดับหนึ่งก็คือการสารภาพความผิดเหล่านั้นและตั้งใจสำรวมระวังต่อไปซึ่งวันหลังอาจจะผิดดีก็ได้มันก็เหมือเหมือนกยมรับสีนั่นนะฮะรับแล้วรับอีก าระอง์ก็เหมือนกันนะพระก็คนเหมือนกันรักศีลไปแล้วบางทีก็ผิดผิดก็ต้องสำนึกว่าผิดแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นการสารภาพผิดเหมือนกันแต่ว่าต้องทำลายสิ่งที่เป็นเหตุได้ต้องอธบติเช่นสมมติว่าพระไปรับเงินรับทองด้วยมือของตัวเองนะฮะ แล้วก็จะแสดงอาบัติให้ตกได้เนี่ยมันก็ต้องทิ้งเอาสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปแล้วยังหวงไว้ยังเก็บไว้ก็ถือว่าแสดงอาบัติไม่ตกมากกว่าอาบัตคงเป็นอาบัตยอยู่ก็ยังไม่ทิ้งสิ่งเหล่านั้นบางอย่างต้องผ่าบางอย่างต้องตัดบางอย่างต้องทิ้งจิ่งนัง้นซะก่อนแล้วจึงสแสดงอาบัตได้ยกตัวอย่างว่าเตียงที่มันสูงเกินไปเนี่ย ผิดพีนัยต้องตัดขาเสียก่อนไม่ใช่ขาเรานะะขาเตียงแล้วก็แสดงอาบัตได้แต่ยังไม่ตัดขาเตียงถึงแสดงอาบัตอาบัตก็ยังมีอยู่เรียกาอาบัตยังติดตัวอยู่ในนี้การปรับอาบัตเนี่ยคือดีที่บางทีก็ยอมให้รวมรวมมาแสด ง, งนะฮะคือถ้าปรับเป็นตัวเลย เช็นสมมติว่าเราไปบอกอาบัตชั่วหยาบของพระอื่นซึ่งจริงนะฮะแต่บอกไม่ได้ก็ห้ามบอกเว้นไว้แต่สงสมมติให้ไปบอกเช่นสมมติว่าพระกอไปร่วมเกินยุงคอเข้ายุงคอมาฟ้องพระสงฆ์ในวัดสงก็เรียกพระกอมาสอบถามทราบความมาทนไปร่วมเกินก็ไม่ถึงก็ต้องไปขอเข้ามาโทษ แต่พระสงฆ์ก็ลงโทษแล้วก็ไปแจ้งไอ้ทาปะลงโทษกันแล้วแต่บางทีต้องส่งพระกอไปให้ขอเขามาเลยถ้าขอเขามาพระอื่นก็ไม่ต้องบอกคือพระกอก็บอกเองนอกจากว่ามีพระไปช่วยไปช่วยพูดไปช่วยพูดเพื่อให้โยม ง, งดโทษให้แต่ให้บอกคนใดบอกเฉพาะคนนั้นนะครไปบอกคนอื่นเปลือยไปไม่ได้ปรับประบัิ ทุกคำพูดทุกคนนี่เราบอกว่าะะ น, นอาบาัตเป็นภูเขาเลยถ้าบอกออกโทรทัศน์ออกวิทยุนะฮะคนฟังเป็นล้านนะต้องอาบาัตเป็นล้านเลยแต่พอดีมันรวมแสดงได้ก็เรียกาสมามหูลาก็รวบรวบมมาแสดงได้แต่ไม่งั้นน่แย่เลยอาบาดอีกประเภทหนึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องทรมานตัวเองดัดสันดานนิสัยตัวเองก็เรียกว่าเข้าปริวัติศัก ท่านคท่านทั้งหลายคงได้ยินบ่อยๆแตนี้เวลาท่านผิดท่านก็บอกกันนั่นเองไงนะะคนอื่นไปโจดท่วง<ม>อะไรเรามะรู้ได้ไงก็ผิดไม่ผิดก็บอกเองเป็นเรื่องของจิตสำนึกที่สารภาพเองรือบางครั้งบางคราวถ้าท่านไม่ยอมก็จะมีคนโจดแต่ทีนี้การโจดของพระเนี่ยมันไม่ใช่โจดเพื่อทำลายพระสมมติเราจะโจดพระกอ พระขอจะโจทย์พระกรมพิธีเยอะทีนี้ชาวบ้านเราเนี่ยไม่รู้เรื่องแบบเนี้ยเราจะ ต, ต้องโจทย์กับสงคนนั้นเองนะฮะต้องบอกสงแล้วบอกในถ้ำกลางสงแล้วต้องขอโอกาสท่านก่อนอบอกท่านกรนี่ผมจะขอโอกาสโจทย์โจทย์ท่านโดยสิ่กระบทกนั้ น, น, นท่านยอมให้โจทย์หรือเปล่าถ้าไม่ยอมให้โจทย์โจทย์ไม่ได้นะฮะเราไม่มีสิทธิ์จะโจทย์มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่าน ท่านรับผิดชอบบาปกรรมขันท่านเองแล้วต้องขอโอกาสท่านต้องยอมให้โจรแล้วต้องโจรด้วยเมตตาถ้าถ้าทางอาฆาตมาร้ายต้องการทำลายสงไม่รับเลยนี่คุณมันจะเอายืมเครื่องมือสงฆ์ไปแก้แค้นกันเองเนี่ยสงไม่เอานั่นคือเรื่องของพระธรรมวินัยเราจะเห็นว่ามันมันมันเอาวิถีชีวิตคิดแบบชาวบ้านไม่ได้เลยอาฆาตมาร้ายต้องการจะแก้แค้นมันก็มันก็ทำกันได้แต่พระพรานี่เขาไม่รับเลย วินัยนะกำหนดไว้เลยว่ารับไม่ได้นั่นคือเรื่องของพระพินัยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีวินัยในตัวเองควบคุมตัวเองผิดก็รู้ตัวผิดเองนะฮะแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงไหนแก้ไขได้ ก, แก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็สึกเพราะจึงมีอาบัตอีกชุดหนึ่งที่ท่านเรียวกว่าปาราชิก ค, คือพ่ายแพ้ปราชัยนะฮะปาราชิกก็คือปราชัยนั่นเองกนะ็พ่ายแพ้ บบทบัญญัติที่ทรงบัญญัติเอาไว้เพราะงะั้นท่านเหล่านั้นก็ต้องศึกก็ส่วนใหญ่ตั้งศึกนั่นเองไ น, นะไม่มีใครรู้หรอกเพราะท่านผิดตั้งก็ศึกเองแล้วก็ถ้าไม่ศึกมีหลักฐานอะไรชัดเจนพอนะฮะสงก็ต้องโจทย์แล้วก็ตัดสินให้ศึกไป แต่ว่าต้องมีหลักฐานพอเพเป็นเรื่องเฉพาะตัวมากๆกันนะฮะแต่ว่าบางอย่างนี่มันเกี่ยวข้อกฎหมายของบ้านเมืองเช่นการไปฆ่าคนตายเป็นประราชิกลักทรัพย์เนี่ยเป็นประราชิกแต่มันผิดกฎหมายด้วยตรงนี้จะง่ายคือบ้านเมืองจะค่าจัด ก, การให้หรือพระไม่ต้องไปยุ่งแต่ทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าเป็นวินยัย เป็นกฎเกณฑ์ในการฝึกปรืม้ม ญ, ญาติของคนทั้งหลายซึ่งก็แบ่งแล้วก็เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเรียกขี่วินัยวินัยของชาวบ้านญายดโยมทั้งหลายที่เป็นนุบสุปไิกรที่จึงก็มีวินัยระดับของชาวบ้านก็เกณฑ์ก็คือสี่ห้ารับตอนเช้าอีกกับตอนเที่ยงก็รับอีวันทีรับตอนเย็นเนี่ย แล้วไม่มีใครไปคุมอะไรนะฮะคือไม่มีใครไปคุมอะไรว่าเออรับสินไปแล้วเนี่ยรักษาสิน<ช>ได้หล่าไมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องทุกคนเรามันมีวินเป็นวินอยู่ชนมีจิตสำนึกอยู่แล้วรับผิดชอบเองแต่ถ้าเกิดเกิสิงเกิดขาดต้องการจะรักษาสินสมบูรณ์ก็ก็มาขอเสื้ใหม่หรืออธิษฐานใจเอาใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเรื่องรรับผิดชอบเองคือเป็นความสมัครใจที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ในส่วนของของ วินัยของพระนะฮะเขาเรียกว่าอนาคาริยาวินัยเนี่ยเป็นวินัยของพระเมื่ก็มีคนอื่นดูแลด้วยนะฮะมีอาจารย์มีอุปชาเป็นเพื่อนสมัมปชมจารีดูแลด้วยถ้าท่านไม่ยอมรับรู้พวกนี้ก็จะดูแลให้แกโจทย์ได้แต่ชาวบ้านเนี่ยโจทย์ไม่ได้นะฮะคือกรไไม่เป็นโจทย์ก็เป็นการควบคุมห่างๆไม่ไม่เข้าไปควบคุมอะไรจุนจ้านอะไรเขามากไป ท น, นี่ในส่วนของพระสูตรพระสูตรนั้นท่านเรียกว่าโวหารเทศนากับอนุโลมเทศนาอนุโลมเทศนานั้นหมายความมาดูที่คนธรรมะก็ยกัยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแสดงเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งนิยัดใดนิยัดหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งก็ <S <S <S มไม่ค่อยแสดงสมบูรณ์นะฮะเพราะว่ามันไม่จำเป็นอะไร ก็คลยๆกับการวางยาแก่คนที่ป่วยก็ดูสมุดฐานของโรคอาการของโรคจะใช้ยามากน้อยแค่ไหนเป็นไรก็ใช้ไปเท่าที่จําเป็นต้องใช้เราก็ใช้ไปแก้ปัญหาได้เรียกว่าอนุโลมคือคล้อยตามคนแสดงไปตามพื้นฐานการรับรู้ของคนว่าเขามีขีควความสามารถจะรับรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเป็นไรก็ว่าไปอย่างนั้นแล้วยังพบว่าประสูตรบางประสูตรก็มีสองาบรรทัดแต่ น, นั้นเอง เ็เื่อเสร็จแล้วค น, นนั้นก็ฟังคัดใจแล้วก็จบแล้วให้เราสังเกตบางอย่างในสองบรรทัดนะ่นนะะบางอย่างในสองบรรทัดเลยอย่างคาถาเยตมาที่เราพูดเนี่ยสองบรรทัดเลยเยตมาเหตุปปปวาเตสังเหตุุงตถาโตบรรทัดหนึ่งนะเตสันโยนิโรโทจะออวังบดีมาสโนบรรทัดทั้งจบละ ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุประสาทคาถ า, ตาสติเถียงธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสัมณมีปกติตัดจากนี้จบแล้วเปล่ยนคถานิจารีวัติกีก็เหมือนกันเห็นไหมสองพันทัศสองพันทัศนแล้วก็เหมาะสมสมับผู้ฟังตรงนั้นเขฟังแล้วก็เข้าใจแล้วได้รับผลแล้วแต่บางทีก็ว่ากันยาว มันอนุโลมตามคนหรือพูดระดับนี้ขนาดนี้ก็ยังไม่เข้าใจต้องเออนิทานเข้ามาประกอบต้องเล่าต้องอุปมาอุปไมยต้องถามกลับไปะอะไรๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกเยอะมันก็หลากหลายด้วยโวหารภาษาที่ใช้เขาเรียกโวหารแเทศนะแต่โดยสาระธรรจริงๆมันก็คือเรื่องของอริยสัจสี่ท่างหลายลองสังเกตว่าเรื่องที่เราบรรยายไม่ว่าจะบรรยายในช่วงกรรมฐานในช่วงพิสูจน์ก็ตามที่จริงเป็นอริยสัจสี่แน่แน่ เพราะว่าสากลระพีพบมันก็อยู่ที่อริยสัจสี่สังขารทั้งหลายทั้งปวงทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เกินไม่เกินอริยสัจสี่ไปเพราะวารวมอีกทีหนึ่งก็เป็นขันห้านะฮะอาจารเห็นว่ารวมอีกทีหนึ่งก็เป็นขันห้านอกจากนิพพานนะนั้นเองนะฮะนอกจากนิพพานนั้นเองนอกนั้นไม่อยู่ในขันห้าทั้งหมด นิพพานตะเดี่ยวขันตะวิมุตต์คือพ้นจากความเป็นขันแต่ถ้าถามมาพ้นจริงๆนี่พ้นตรงไหนมันพ้นเฉพาะตัวสังขารขันที่เป็นอกุศลเท่า น, นั้นเองท่านก็ยังมีรูปร่างกายอยู่รูเจ้าท่านก็มีรูปร่างกายอยู่ท่านยังมีเวทนามีปวดมีเมื่อยอยู่นะฮะท่านก็มีสัญญาณความจําอยู่มีสังขารที่เป็นกุศลอยู่มีวิญญาณการรับรู้อารมณ์อยู่เพียงแต่ว่าสังขารที่เป็นอกุศลคือกิเลสมันหมดไปเท่า น, นั้นเองที่ท่านบอกว่า จิต ห, หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือบ้านหรือบปาทานผอเมื่อท่านนิพพานจริงๆนะฮะมาความเมื่อท่านตายจึงจะจึงจะหมดจริงๆทีนี้ที่ที่ท่านถามสามคำถามนี่ท่านมาเน้นเนีน่ยท่านเน้นที่สันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกแปลว่าผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เอง มาเดียวก่อนคือในธรรมะในส่วนอภิธรรมนะส่วนอภิธรรมเขาเรียกปรมธธัถเทศนาเป็นธรรมที่แสดงสาระจริงๆของเรื่องนั้นแล้วมากไปด้ยวยตัวเลขสาราพัดคล้ายๆคำพีสังขยะของของพราหมณ์นะฮะสังขยะไปว่านับนะฮะตัวเลขเยอะเลยเกินนับจิตเป็นรวงดวงนับเจตสิกเป็นรวงดวงนับอะไรตัวอะไรก็ตตัวเลขเยอะ แล้วก็แปลกอะคนแก่ไปเรียนคนแก่ไปเรียนอภิธรรมนึกขำก็ดีนะฝึกสติหัดฝึกสติที่จริงคนเรียนจะต้องเป็นคนหนุ่มหน่อยจำความจำต้องดีนะคนแก่ไปเรียนก็ยุ่งนิดหน่อยต้องท่องเยอะต้องจำแม่นเป็นการพูดที่จริงมันไม่มีอะไรนะฮะท่านตั้งหลายเ็นว่าในพิธรรมนั้นเขาเรียกว่าจิตเดชสิกรูปนิพพานรูปก็คือร่างกายเราจิตก็คือจิตเรา เนะจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตของเรานิพพานก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสมันก็คือจิตเราอีกอะจิตคนนีก่ก็อยู่ที่ตัวคนต่อมาทั้งหมดยึงอยู่ที่ตัวคนทีปัญหาที่ท่านถาม่าสันทิติโกอย่างไงนะเป็นสันทิติโกอย่างไงก็ทรงแสดงไว้หลายแนวนะฮะแนวหนึ่งเนี่ยคือมองเห็นโทษของกิเลสทรงยกกิเลสสามกอง พูดโดยรวมก็แสดงว่าคนฟังก็มีพื้นฐานดีนะไม่จําเป็นจะต้องไปชี้แจงอะไรมากก็บอกว่าคนที่ถูกราคะถูกลโะกรุ้มรุมเนี่ยกรุ้มรุมรุนแรงก็จะทําอะไรที่เป็นการเบียดเบียนตนเองบ้างบียดเบียนบุคคลอื่นบ้างหรือเบียดเบียนเฉพาะตนเองบียดเบียนเฉพาะบุคคลหรือ แล้วเขาจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผลประสบ ป, ปัญหาสารพัด ต, ต่างๆต่อเมื่อไดเขามองเห็นโทษเห็นโทษของราคะเห็นโทษของโลภะแล้วลดละราคะโลภะลงไปการเบียดเบียนตนเองก็ลดลงการเบียดเบียนบุคคลอื่นก็ลดลงหรือการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นก็ลดลงจนถึงนะฮะ ทรงแส ด, แดงหนึ่งสูงสูงสุดว่าจนถึงไม่เบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็ทําประโยชน์แก่ตนทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นและทำประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายพวกนี้จะได้ความสุขได้ปีติได้ปราโมทมันก็เห็นทั้งสองอย่างเห็นโทษของการเพิ่มขึ้นแห่งกิเลสทั้งหลายในที่นี้ก็ทรงยกราคาตัวพาณนะิชย์ เห็นคุณก็การลดไปของกิเลสและการเพิ่มขึ้นของธรรมะแต่ว่าใครเห็นคนนั้นก็เห็นคนที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็เห็นเขาเองเป็นการรู้ด้วยใจของเราซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบด้วยตัวเองนะเราจะเห็นว่าเราตรวจสอบด้วยตัวเองมันดูอาการป่วยของเรา หมออาจจะบอกว่าหายแต่เราก็รู้ว่าเรายังไม่หายหรือบอกเรายังไม่หายแต่เราก็หายแล้วเราก็รู้อยู่นะเราเ็ารู้โดยตัวของเราเองหมอก็ถามเป็นไงสบายดีแล้วยังนะบอกว่าสบายดีแล้วจริงหมอก็ถามเราก่อนเนะลยก็บอกว่าเราหายแล้วเพราะคนรู้จริงๆเนี่ยไม่ไม่รู้หรอกมันเป็นเป็นตัวคนนั้นเองที่จะรู้จริง อันนี้ก็คือสันทิตโกทีนี้บางทีเนี่ยตัวสันทิตโกนี่แหละเขาพุ่ขึ้นไปสูงประสูตรที่สามเนี่ยจะยกขึ้นไปสูงหมายความว่าเป็นผลประจักษ์แก่ใจเป็นสันทิทิกังนิพพานังนิพพานที่เห็นได้ดูตัวเองเดี๋ยวสันทิทิกังนิพพานังก็นิพพานที่เราเห็นได้โดยใจก็หรอกใจมีกิเลสก็รู้มีกิเลสไม่มีกิเลส ก, ก, ก, ก็รู้ไม่มีกิเลส แต่ทีนี้บางทีเนี่ยจะเห็นว่ากิเลสบางระดับเนี่ยเราเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีหรือไม่มีนะฮะมันมีหรือไม่มีเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ต้องมีตัวมากระตุน้นมีอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดกิเลสและกิเลสไม่เกิดขึ้นแต่บางทีก็ต้องแรงพอสมควรอย่างที่เคยเล่าถึงพระเทราสองรูปที่ท่าน บาเพ็ญเพียรมาระดับอภินยาได้พิญญาห้านะฮะแล้วก็ได้สมาธิแต่ไม่ได้บรรลุผลหรอกทีนี้กิเลสมันส ง, งบหมดเดี๋ยวท่านอยู่ในแวดวงของท่านันอยู่ในแวดวงของท่านมันไม่มีอะไรที่มาทำให้ท่านเกิดโหราคะโทสะโมหวะว่าท่านก็อยู่ในป่าภาพยั่วยวนสวยๆก็ไม่มีให้เกิดราคะไอคนนี่มาท้าทายท้าตีท้ า, ทา ต, าตอยกับท่านก็ไม่มีมันไม่มีอะไรมากระตุน้นน ท่านก็ไม่รู้หาว่ามัหมดกิเลสหรอแต่ถ้าไม่เห็นกิเลสท่านไม่เห็นกิเลสภายในใจท่านต่อมาพระเทระรูปหนึ่งชื่อเหมือนผู้หญิงชื่อธรรมอทินนาแต่จริงเป็นเป็นพระเทระนะฮะชื่อธรรมอทินาเป็นพระละหันท่านก็รู้ท่านก็ไปเยี่ยมก็คุยเรื่องคุณธรรมคุณธรรมภายในใจนี่แหละก็คุยกัน ท่านพระเระทั้งสองรูนนั้นท่านก็บอกตามตามตามที่ท่านเห็นนะตรงนี้ไม่ถือว่าปวดนะฮะวินัยก็ไม่ถือว่าปวดเพราะท่านบอกตามที่ท่านเห็ น, นก็เรียกว่าอธิมานะคือสำคัญผิดสำคัญผิดว่าตัวเองแตบบ่บรรลุก็มีเยอะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระในนีเยอะแต่นี้หลังพุทธกาลนะฮะหลังพุทธกาลมีเหตุการณนะ์หลังพุทธก า, ธกาล ก, าก็ท่านท่านท่านท่า น, ทานได้มโนโมยิทธิ ท่ได้อีกที่วิธีนะเพราะว่าเป็นนาพินยาเนี่ยพระธรรมธินาก็บอกเอาไหนไหนไหนหลวงพ่อลองนิรามิตรเป็นเป็นรูปองค์หนึ่งในใช้ตัวราคะองค์หนึ่งใช้ตัวโทสะองค์หนึ่งให้ให้ดิรามิตรเป็นรูปผู้หญิงสวยนี่หลวงพ่อรู้สึกยังไงมึงไม่ไม่เห็นรู้สึกไงเฉยเฉเอฉยเเอานี้าิดสองคนคนี่สามคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนถึงเจ็คนเฉยเหมอดหลยดูมึงเก่งไง เอาให้ผู้หญิงรำไม่ต้งพ่อรำเลยพ่อรำภาคเดียวเลยได้เรื่องเลยกิเลสมันขึ้นมาขา้างในเดชมันอยู่ลึกๆมันขึ้นมาข้างในนั้นแสดงว่ามันไม่มีตัวกระตุ้นเราก็ไม่รู้ทันทิติโกบางทีจึงมีตัวกระตุ้นมันต้องมันต้องพิสูจน์นะคล้ายๆพิสูจน์ทดสอบเราลองส้งเก่ดูพระเจ้าเราตอนตรัสรู้แล้วก่อนตัสรู้พระยามันมาระจญ น, นะตอนพระยามันมาะจญ น, นั้นก็พิสูจน์ พิสูจน์ว่าสู้ได้หรือไม่ได้แต่นั้นเองนะสู้ได้หรือไม่ได้ในศึกก็สู้ได้ก็ชนะได้แต่หลังจากตัดสรูแล้วเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์ทดสอบด้วยการขู่คุกคามของพระยามารให้กลัวและการยั่วยวนล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆโน้มน้าวด้วยวิธีการต่างของนางตนาลาข่าและที่สมคนนะฮะมายัยว่วยวนอยู่ที่ต้นต้นอัชาบานนี่โคตรพระเจ้าก็ก็ประทับเฉยๆ อันนี้คือคือว่ารู้จริงนะรู้จริงก็เห็นเห็นด้วยใจกันตัวเองว่าจิตใจไม่กำเริบองค์หนึ่งให้นิรมิตเป็นเสือเสือนอนกันอีกหางไม่มีอะไรไม่กลัวอะไรเลยออหนึ่งตัวสองตัวมันกันเอาชงโงกหลวงพ่อให้เสือชงโงกเสือคำรามเสือวิ่งกันมาเอาสะดุ้งหลวงพ่อตกใจกระโดดเลยอไม่จริงเลยว่าจริงเห็นไหมฮะ มันมันมันบางทีเสือมานอนเฉยๆคนปกติก็กลัวแต่ท่านขนาดนี้ท่านไม่กลัวธรรมะมันอยู่ไอ้กิเลสมันอยู่ลึกมันไม่ขึ้นธรรมะมันมันมันกั้นมาเยอะแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็ไปเพราะนั้นอาการการที่ใจเป็นยังไงท่านก็ดูแต่ใจของท่านอ๋อไอ้นี่อ้นี้มันมันยังเป็นอย่างนี้เพราะแนวตรงนี้ที่ที่ที่ที่เคยล่าว่าเวลาพระท่านไปเจริญกรรมฐานแล้วท่านสําคัญผิดว่าได้ผลลัพธ์ มาต้องการเฝ้ารายงานผลของการประพฤติปฏิบัติผู้เจ้ารับสั่งให้ไปในปา่าช้าก่อนไอ้พระมาบอกไหมข้าวัดนะรู้ทรงกำหนดรู้ลายไปปา่าช้าก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาท่านมาบอกเนี่ยท่านจะรู้สึกเสียดายที่โกหกพระพุทธเจ้าท า, ทางที่ท่านท่านท่านท่านก็บอกตามที่ท่านสัมผัสอะแต่ตรงนี้จะเป็นปัญหาเลย พอไปนั่งสมาธิธทีหลังให้ตัวนี้มันเกิดขึ้นอุ้ยตายแล้วเราบาปกรรมไปโกหกพระพุทธเจ้ามันกลายเป็นมทินทีนี้ต้องต้องสู้กันใหญ่เลยกว่าจะลบออกนี่อันตรายมากเลยเพราะงั้นผู้จ้าก็ไล่เข้าป่าเลยท่านไปดูศพรับสั่งไว้เดินดูศพก่อนศพสมัยนั้นศาสนาปาซีนะศาสนาเปอร์เซียซาเตอรต์ในปัจจุบันนี้ทั้งอยู่ศพในวตายปั๊บก็ทิ้งเลย ไม่เหมือนพรามพรามเผาเลยนะอันี้ทีิ้งเลยที่ว่าพระไปชักภาพบนรดาุณคือชักแกะศพตัวศาสนาเนี้นะพวกปสัสสีศาสนาสโรเตอร์ศพก็จะเอาทิ้งให้แรงกินให้แรงกินเพราะมันก็ศพยังใหม่ๆอ่ะบางทีก็ใหม่ๆอ่ะจิตใจมันก็แปรผันไปตามศพเกิดกลัวบ้างเกิดคิดอย่างนั้นๆก็เห็นตัวเองก็นั่งลงเจริญกรรมฐานตรงนั้น นี่ก็คือสันติโกคือดูด้วยใจไม่ใช่ว่าคนอื่นเปอนคนรู้เพราะผลทางใจเนี่ย ม, มันดูข้างนอกไม่ได้เราจึงพบว่าพระอรหันต์บางรูปนะเช่นเราเคยพูดเรื่องพระสารีบุตรท่านเดินไม่เรียบร้อยเนี่ยนั่งก็ไม่เรียบร้อยนะพระส า, ารีบุตรยก็ไม่เรียบร้อยหรือว่า พระบางรูปคำหยาบกล่าวคำหยาบพระบิดินทวัชะเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นเป็นคำที่ขึ้นต้นนะ่ะเป็นคําขึ้นต้นต้งขึ้นวัสลักเจ้าถอยเรียว่าเจ้าถอยนะะมาอย่างนึกเป็นคําว่าไอหาที่สุพรรณเนี่ยคํานี้มันคงขนาดนั้นแ น, ะนะะ่นะสาหรับท่านอนะ่ะคือว่าใจมันเป็นอย่างนั้นเองครัพูดอย่างนั้นเองถึงขึ้นทุกทีต้องเรียกตรงนั้นตรงทีเลย ไปไหนเจ้าถอยทําอะไรเจ้าถอยขายอะไรเจ้าถอยก็ถามอย่างงั้นนะตอนนีพระอาหารหันต์นะนะพระอาหารหันเนี่ยท่านพูดกันท่านอย่างงั้นเนี่ยคนก็ไปฟ้อง พ, พระพุทธเจ้าวพระพิรินวัชชาที่หยาบสิงพูดาจาสิงพระเจ้าบอกว่าเขาเขาไม่ได้เจตนาหรอกมันเป็นวาสนาเขาก็าติดนิดสยัยมาก็เคยเกิด เ, เป็นพราหมณ์ที่ว่าเคยขู่คนอื่นมาติดนิดสยัย พระอรหนันตทล่าวัฒนาไม่ได้วัสนานี่มันติดที่กลายเป็นปุกลิกภาพนะฮะเราใจเนาปุ ก, กลิกภาพเนี่ยมีลักษณะของวาสนาเป็นอย่างนั้นแหละเบี่ยวเรื่องอะไรเขาไม่มีใครรู้บางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ไม่มีใครรู้เมื่อวานยังเล่าให้พระเขาฟังมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะฮะแล้วท่านท่านตายไปแล้วที่จริงก็เป็นระดับสังฆราชด้วยนั่ไปมันมีวาสนาติดตัวอย่างหนึ่งเวลาท่านไหว้เนี่ยท่านทํามือเนี่ย เร็วมากเลยฮะเร็วมากเล ย, เเลยท่านเพิ่งรู้อายุเจ็ดสิบไม่น่าเชื่อเลยนะคือว่าตอนตอนท่านเป็นเนเนน้แบบปกเ้าเนเนนปก้านี่ใครไม่นะกล้าแตะเลยนะเก่งมากเป็นพระองเก่งมากแล้วร่างก็ไปเที่ยวต่างประเทศมีภาพยนตร์มาดูภาพยนตร์ดูที่บัตเนี่ยว่าของท่านน่ย น, นะะพระเนนก็ไปไปไหว้กันมากไปก็ดูภาพยนตร์เที่ยวต่างประเทศอ่ะ แา่คดีต่างๆที่ท่านไปอ่ะทุกครั้งที่มีการอันุโมทนาเ น, น, นี่ยท่านนับอย่างเงี้ยพระก็าหากันตึงตึงเอะอะไรอะไรมันหัวเราะอะไรกันอย่างเงี้ยเรู้เอ๊ะนี่เราเป็นอย่างนี้เลยนะนี่เราเป็นอย่างงี้ท่านเพิ่งรู้นะแล้วท่านก็นเลิกได้นะท่านเลิกได้แต่ท่านไม่รู้นะท่านไม่รู้เพราะนั่งหลับตา ม, มือมือไปเนาะไปงี้ไหมนะท่านบุกันเรื่อกันต้เนี่ยไปไงี้เร็วมากเลยทำไม่ได้นะเรียนไม่ได้ครับเ ก, ก่งมากอ่ะเร็วจัง พอท่านรู้เอ้ยทเราเป็นอย่างนี้อุทานขึ้นมาคันเดียนะอเอ้ยเราเป็นอย่างนี้เลย น, ะนี่คือสานึกสาเนียกรู้แล้วก็แก้ได้นะฮะแก้ได้ก็แสดงว่ากขาไม่ลึกเท่าไหร่เขอยู่ไม่ลึกเท่าไหร่เตก่อน ต, อต่อจากนั้นมาอีกปีกว่าถ้าก็ตายนี่ก็คือก็คือเรื่องสิ่งที่จิตมันเป็นสิ่งที่เขารู้ด้วยใจเขา เราจะดูจากข้างนอกว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนคนนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้ที่จริงเป็นเรื่องปัิจจตังเฉพาะเป็นเป็นเรื่องสันถิติโกและปัิจจตังด้วยนั่นแหละสถิติโกคือเป็นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านที่จะเห็นในตัวท่านเองนี่ก็คือในอะไรคือพวกปฏิเวทพวกผลนะฮะพวกผลทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับเปรียบวันมันเขม่นนั่นแหละความมารารู้ในตัวของเราเองแล้วก็ทรงยกมาทั้งโทสะทั้งโมหะเหมือนกันนะฮะ ในความเวลาถูกโมหะโทสะโมหะมันรุ่มรุ่มในสภาพจิตเราเป็นยังไงคิดอย่างไงแล้วทำอย่างไงพูดอย่างไงผลกระทบมันออกมาเป็นยังไงแล้วเราก็สัมผัสในตัวเราเราเดือดร้อนเพราะนี่เองเนี่ยเดือดร้อนเพราะตรงนี้เองเดือดร้อนเพราะโทสะที่เกิดขึ้นนี่เองแล้วก็หยุดมันไม่อยู่ไม่ไม่ยอมควบคุมความคิดความทุกข์ทั้งมวลถ้าบราารษากลับอ่อมันมาจากโทสะตัวนี้เองอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังว่า เรื่องรามเกียรติ์ก็ดีสงครามโลกครั้งที่สองก็ดีมาจากคริษียาตัวเดียวเองแต่ว่าฆ่าคนเนี่ยตายไม่รู้เท่าไหรตัวเท่าไรสาวไปดูเถอที่มาจริงๆพระโธมหิเณรจริงๆมาจากคริษียาเหมือ น, นกับแม่น้ํ า, นาเหลืองมาจาก ต, ตานา้ําที่ที่กล้ทิเบตนะยตอน้ำมันนิดเดียวนะจริงๆมานิดเดียวมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆมันมาสมประสานนี่เลยมันก็กลายเป็นแม่นม้ําใหญ่โตโมลานยาวเจยดพันกกิโล ก็มีั้งคุนต้องโทษนะฮะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของของแม่นาแต่กิเลสเนี่ยมันก็แรงขึ้นไประ ด, ดับพราะยิ่งแรงเท่าไหร่โทษมันก็มากขึ้นเท่านั้นวันที่นี้พอเราศึกษาพอเราปฏิบัติธรรมะไปก็จะเห็นการลดอตัวสะตัวสะที่จริงค่อนข้างลดยากนะฮะเราจะเห็นว่าจนเป็นสู่ระกำรรฐานขี้กรดชนิดดี้ก็มันลดยากโทวสะนี่มันไม่รู้เป็นยังไงเป็นกิเลส ท, ที่ลดยาก แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทสะเนี่ยมันจะเกิดน้อยมันจะเห็นบางทีเดือนเราไม่มีโทสะะลรมันมีเรื่องให้โกรธแต่โลภานี่มีบ่อยโลภานี่มีบ่อยราคะมีบ่อยเพราะอะไรเพราะว่าใจเราไปกำหนดเราเองโทสะมันต้องมีการกระตุ้นมาจากข้างนอก น, นอกจากคนอารมณ์ผิดปกติอรนะมพัดก็โกรธนกร้องก็โกรธหนูดังก็โกรธ น, นี่ก็ผิดปกติมากๆก็ไม่รู้จะว่ายัางไง แต่วาตามปกติมันมันไม่ถึงอขนาดนั้นนะนะคนไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ใช่กโกรธมั่วไปหมดเลยอย่างนั้นก็ยากแต่ว่าถ้าคนปกติเราจะเห็นว่าราคะกับโลภะนี่มากเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดในโลกเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากราคะกับปัญหามาจากโลภะโมหนะนั้นไม่ต้องพูดแนตะ่ก็อยู่อยู่เบื้องหลังตลอดนะนะครับโทสะท่านทดลองสังเกตว่าบางบางวันเราไม่มีสองวันมีสาวันไม่มีสี่วันไม่มี บางทีเดือนมันไม่มีเลยมันไม่มีเรื่องอะไรน่าโกรธเลยไม่ได้โกรธแต่ไม่ใช่ไม่มีโกรธนะมันไม่มีเหตุให้โกรธแต่ส่วนราคาโทรพาเนี่ยมันมันมีสื่อโฆษณาเยอะเพราะโฆษณานี่ให้อยากมันไม่ใช่โกรธนะฮะโฆษณาเนี่ยก็โฆษณาให้อยากไม่มีโฆษณาอะไรให้โกรธเลยมันมีเชื้อมันหมากกระตุ้นเยอะเพราะฉะเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะควบคุมได้ลดระดงไปได้ เราก็จะเห็นว่าโทสะในมันลดลงไปเออไอ้กระแทกขนาดนี้เราเคยโกรธอะตอนนี้ไม่โกรธละตอนนี้ไม่โกรธละกระแทกสูงก็ไปกว่านั้นเอ้ยเคยโกรธนะตอนนี้ไม่โกรธชัก ง, ง, งุดงิดนิดนนิดนิดอาจจะนิดนิดเแล้วมันก็นลดลงไปนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้เห็นได้ในตัวของเราเองคนอื่นเขาไม่รู้หรอกคนอื่นเขาไม่รู้เราโกรธหรือไม่โกรธแต่ บางทีเราก็หลอกตัวเองเราก็เป็นมายาตั้งๆที่เราโกรธนะฮะ้ว ท, ทําทีเป็นคนไม่โกรธสังคมสังคมโลกเนี่ยนะเป็นสังคมที่ที่อามาเคยเคยไปในที่หนึ่งรู้สึกจะเคยล่าให้อามาได้กีิติคุณสมบัติสังเงินน่ยนะฮะสองเก้าสองเก้าพร้อมกับเนี่ยอธิปดีคนใหม่ที่ปีตมบทคนใหม่ แล้วก็ถือว่ารุ่นพี่นะฮะเรารุ่นพี่เราก็ต้องไปมุติตาคนหนึ่งแต่ไปแล้วมันแปลกมันรู้สึกเหมือนคนสวมหน้ากากมันไม่มีความจริงใจอะไรเลยไปนั่งนั่งดูนั่งเหมือน ม, ม, มันภาพมันไม่เหมือนกันนั่งอยู่แับโยมอย่างเงี้ยนะไอ้ภาพมันกันถวมหน้ากากภาพภาพภาพเสี้ซ่งภาพมายาภาพโ อ, อวดภาพแข็งบเดียเราก็ไปกลางเดียเลยมาก็ไม่ไปแล้ว มานยังไงมันเป็นภาพตีมันมันเราไม่คุ้นนะ่นะฮะเราไม่คุ้นภาพยังไงเพราะเราอยู่ในภาพเราแวดวงของเรามันไม่กว่างแต่เราอยู่คนที่มาวัดเนี่ยเป็นคนดีนะฮะคนดีก็ไม่ได้ต้องสวมหน้ากากอะไรไม่ต้องสวมหน้ากากอะไรกันท่าไรเพราะเราไปเจออย่างนั้นภาพมันเห็นชัดไ ป, ไปนั่งอยู่นานนะนั่งอยู่นานตัน้สองชั่วโมงสชั่วโมงกว่า ก็มั่งนั่งไม่จะททำอะไรนะเพราะเราเป็นเป็นเป็นรุ่นพี่เฉยๆเป็นมุติตาเฉยๆแล้วก็จาดจา น, นมากก็เม่ ไ, ไปมันมีความรู้สึกรู้สึกคือแสดงว่าแรงนะมันมันความรู้สึกอาการอันนี้มันแรงจึงจึ ง, จ, งจึงกระทบใจเราได้นะกระทบใจเราได้ก็คล้ายๆจะจะดนะีจริงๆมันไม่ดี จริงไม่ดีเพราะงั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยรู้ด้วใจกันตัวเองเพราะว่าโทสะโมหะก็เหมือนกันทั้งหมดคือโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าแรงจะเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้คนอื่นแรงมากๆนะมันเป็นมิจฉสันีถ้าแรงลดลงมานะอาจจะเบียดเบียนจะฟาะคนอื่นนะเพื่อประโยชน์แกตัวเองถ้าแรงลดลงมามันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองนะอาจจะ ไม่ไม่ถึงกับเบียดเบียนตัวเองนะฮะแต่ยังเบียดเบียนโมกุลไพอลดลงมาเนี่ยแม้คนอื่นก็จะไม่เบียดเบียนก็ลดลงมาได้เด็ดๆหรืออย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าลักษณะของสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเรียงที่วุทธาสนาท่านท่านท่านใช้เป็นแนวของบันไดเนี่ยมันมันจะมีอยู่สี่สี่ระดับสภาพจิตสภาพสภาพไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่รายละเอียดนะฮะมาความ ส, สภาพใหญ่ใอ่ะ อาการโลภะโทสะมหาที่แรงมันกนคือแนวของมิจฉาสินีตัวตนแรงมากตัวตนตัวเราตัวเขาพวกเราพวกเขาเกณฑ์ค่าห้ามหันทำลายล้างกันเลยนะแล้วเอาท้ายเดือแต่เรากับพวกเรามาที่พวกเราก็ละเลงกันเองเลยนะอันนี้ก็คือแรงอาการโลภะโทสะมหาที่แรงตัวตนแรงเป็นเราเป็นเขาแรงก็คือพวกสงครามขมิจฉสันีทั้งหลายนะครับ เพราะแนวที่พระเจ้าทร ง, งปรับขึ้นมาคือแนวศีลแนวศีลนั้นท่านหลายลองสังเกตที่จริงมันก็มันก็มีโลภะโทสะโมหะเพียงแต่ว่าไม่แรงคือคุมไว้ได้ไม่ล้นออกมาข้างนอกเป็นอาการทําผิดต่างกายต่างปรจาก็มีเรามีเขามีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเรียบร้อยแต่ว่าเราเคารพสิทธิในชีวิตของเขา ระดสินของเขาผูกคร้อมของเขาการรักฟังข่าวสารของเขาแล้วเขาเองก็รับรองสิทธิของเราในเรื่องสี่เรื่องนี้เหมือนกันมันก็เป็นการปฏิบัติระดับสินธรรมจันยาที่อยู่ร่วมกันเบียดเบียนกันก็แต่หยุดหมดไม่ได้หรอกหมายความมาโลกก็เป็นอย่างนั้นแหะแต่ว่าจะลดลงไปพอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าพระธรรมปฏิบัติเนี่ยเช่นเมตตายอย่างนี้มันมีความเป็นเรากับพวกเราอ่ะก็เรากับพวกพวกเราไอ้เขามันหายไป มันมีเรากับพวกเราแล้วไอความความว่าพวกเรามันก็กว้างกันไปเรื่อยจนเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหมายความว่าใครก็ตามถ้าเกิดถ้าแก่ถ้าเจ็บถ้าตายแล้วก็เพื่อนเราทั้งนั้นเด็ก็สรรพชีวิตเป็นสรรพสัตว์เป็นสรรเพสส ต, ตามีเรากับพวกเราไม่มีเขานะฮะไม่มีเขามีเรากับพวกเรา ซ, ซึ่งซึ่งตรงนี้คือสันติละ มันมีจะไปการปฏิบัติเกื้อกูลต่อการเข้าเข้าใจการไปเบียดเบียนการเป็นสังคมอารยะพอมาถึงจุดหนึ่งมันไม่เป็นเราเป็นเขาไม่มีเรามีเขาคือเป็นอนัตตาแต่ทีนี้อาการการการเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็เป็นได้เฉพาะคนจะมองคนได้ยังเป็นเราเป็นเขาอยู่ด้วยด้วยความกรุณาด้วยความสงสารเห็นไหมเหมือนกับผู้ใหญ่ที่มองเด็กเล่นตุ๊กตาสนุกสนานเรื่องค้าขายเื่นของเราก็มองกันด้วยความสงสาร รักตุ๊กตาเป็นน้องต้องกินข้าวต้องอาบนะ้ำมาได้ไถเราก็น่าอินดูดีนะครแต่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราไม่ได้เดือดร้อนไม่ไปยากไม่ไม่อยากไปเล่นอะไรกับเด็กด้วยแต่เรามองเขาด้วยความสงสารแล้วก็คิดจะช่วยเขาต้องมองกลับอย่างงาั้นนะต้องมองกลับไปอย่างงาั้นอีกเที่ยวนึงถ้าว่ามองด้วยความรุนแรงก็แสดงว่า ลด ก, กิเลสตรงหนึ่งไปเพิ่มกิเลสตรงหนงก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเขาเรียกว่าหายโรคแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนซึ่งบางทีอาการสาหัสมากกว่าเดิมใช่ไหมอาการต่อไปก็เป็นอากาลิโก้ดวงสนสันทิติโกเนี่ยเรียกจุดหนึ่งว่าสันทิติกังนิพานังนะฮะนิพานเห็นได้ด้วยตัวเองพอถึงอากาลิโกเนี่ยก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าธรรมะที่เป็นอากาลิโกนั้นโดยสภาพของธรรมะ ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอะเป็นยังไงเขาเป็นเขา อ, อย่างนั้นโดยผลของการปฏิบัติไม่ถูกขั้นด้วยการหมายความว่าผลคล้ายๆกระจับอยปั๊บก็ร้อนปุ๊บนะฮะจับตันแข็งปั๊บก็เย็นปุ๊บมันมันมันมันไม่มีอะไรขวากไม่จะต้องจะต้องค่อยๆเย็นมันไม่ใช่แนตะ่มันเย็นเลยอะ่ะมันเย็นเลยร้อนเลยเย็นเลยทีนี้ แต่ว่าการน้อมนำมาปฏิบัติเนี่ยมันต้องดูที่กาละเทศะบุคคลกลุ่มคนคือบางทีสนึกสมเนกดีวันก่อนเนี่ยอธิบายธรรมะดึงตรงนี้คุณพระข้างล่างพรานวากาไปขอโทษทีิกุติขอโทษพราจารผมนั่งหลับนั่งสมาธิเวนนะักขณะฟังเทศจะมายกตัวอย่างว่าเช่นนั่งสมาธินี่มันดีนะนั่งสมาธินี่นดี แต่ถ้าขนาดนี้เราเรียนหนังสือแล้วเรามานั่งสมาธินี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมปฏิบัติไม่ชอบไม่ใช่ไม่ดีคือดีก็เหมือนกันแต่ถ้าปิการละเทสะก็ถือไม่ดีเราต้องดูการละเทสะกลุ่มคนบุคคลเงื่อนไขต่างๆเข้าประกอบอีกวันมากนะที่เรียกว่าทําดีถูกดีทําดีพอดีทําดีถึงดีทําดีย้ายเกินดีเนี่ยแกสนึกดีได้าไวผมไม่ได้ว่าคุณผมยกตัวอย่างธรรมะเฉย ตัวอย่างแต่ว่าเป็นสํานึกดีแต่ไม่กีก็รู้สึกว่าตัวเองนะไม่ไม่ควรแล้วก็ไปขอโทษโทษทีป่ปกตินานๆนะจะเจอสักองหนึง่งก็ตัวการปฏิบัตินะตัวองค์ทำตัวผลนั้นจะไม่ถูกขัด้วยการแต่ว่าตัวการปฏิบัตินั้นต้องดูการลาเทศะบางอย่างมันทําไม่ได้นะะบางอย่างปฏิบัติยังไม่ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตัวเราเช่นผลที่เกิดขึ้นมันคือเกิดขึ้นขณาไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราเราเห็นได้ด้วยตัวเราเองโดยใจเราเองเราต้องดูที่ใจปัญหาสําคัญว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมานั้นจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงมากน้อยไม่รู้นะฮะแต่ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันก็อาการก็หนักเหมือนกัน ก่อนๆเบียบรมข้าราชการเขาประชุมสามวันเนนะแปดสิบคนเช่าโรงแรมพูดจ่ายเงินไปสองสองแสนแปดมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบปาททำเลขสวยด้วยเกินนะเนี่ยเดกตัวเลขราชการเกาไปอย่างไงนะตัวเลขบอกทำไมไม่ใส่สี่สิบสตางเข้าไปด้วยไนะ ว่าเนี่ยรัฐก็ลงทุนถึงสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะหมายความหลังจากอบรมเนี่ยการทำงานความหมัน่นกระัความเอาใจใส่ความรับผิดชอบต้องเกิดขึ้นทตาไม่งั้นรัฐขาดทุนมากินมาอยู่ี่รู้ละแล้วไม่ได้อะไรเลยนะจ่ายไปแล้วลงทุนที่แพงนะฮะสร้างบ้านเล็กๆได้หลังเนี่ยสองแสนกว่า นี่คืออบรมไปแลนี่ต้องเห็นควเปลี่ยนแปลงแต่ใครเป็นคนดู่เราเป็นคนดูเรารู้ว่าเราคือไม่ต้องการให้คนอื่นมาบอกอะไรหรอกเรารู้ว่าเราเองอะไรแก่แล้วก็เอฮิปัตสติโกเนี่ยเป็นผลทางใจนะฮะเป็นผลทางใจแต่ว่ามันมันลักษณะของปริยัตินะฮะโดยใจว่าเอฮิปัตสติโกก็เชิญมาดูมาชมมาพิสูจน์มาทดสอบแต่วนธการศาึกษารสจริงมันก็มีทั้งสมระดับเหมือนกัน หมายความว่าดูผลของความรู้ความเข้าใจดูผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดูผลของการหมดไปของกิเลสแล้วใครเห็นนะเราก็เห็นกับเราเองเราก็เห็นกับเาเองอีกฮะลักษณะเอหิปัสสิโกเพราะปัญหาเอหิปัสสิกังนิพ บ, บาหนังเหมือนกันเป็นนิพานที่ต้องเชิญชวนชักชวนเนี่ยมันดูจี่ใจ ก็ดูความสงบความยือกเย็นความสุขความปร่งเบาความสละสลวยที่ปรากฏภายในใจเราเนี่ยก็เราก็ดูเราก็รู้เราก็เห็นด้วยใจของเราเองแต่ตรงนี้มันต้องเริ่มในการศึกษาใช่ไหมตรงนี้ต้องเริ่มในการศึกษาแล้วก็นํามาคิดนํามาพินิษฐ์พิ จ, ะจะารณาแล้วก็ทดสอบลงมือประพฤติปฏิบัติพอปฏิบัติมันไม่ใช่ตรงนี้แล้วนะฮะปฏิบตัตินั้นที่จริงก็เชิญชวนให้ปฏิบัติ แการปฏิบัติคือโอป็นนิโกคือต้องน้อมนำมาน้อมนำธรรมะเข้าหาเราหรือว่าน้อมใจเราเข้าหาธรรมะเพราะว่าธรรมะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราเลยถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมะที่มีเหมือนลักษณะเหมือนยานะฮะหมายความว่ามันจะเกิดผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราใช้เป็นใช้เป็นใช้ไปเป็นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ทีนี้ลักษณะของการการน้อมนำมาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องดูว่าธรรมะเนี่ยอย่าไปติดใจตัวเลขให้มากนะฮะคือบางชีเนี่ยที่ที่น่าเป็นห่วงจากการสังเกตทุกแข่ง่าคนก็เป็นห่วงในเรื่องตัวเลขค่ล้ๆมันเยอะเลยเกิดหวาดกลัวโอ้โหธรรมะอะไรยเยอะอย่างน้นศีลอะไรตั้งแปดข้อสามข้อฉันก็แย่แล้ว อะไรทั้งแปดข้อที่จริง Qual? มันไม่ใช่หรอกมันเป็นบันไดศีนเรี้ยวศีขาวบทมันเป็นบันไดเขาไม่ได้ว่าทั้งแปดข้อแต่เรียงว่าเป็นชุด <mini> ๆุได้ดูว่าท่านนั่นเอาทดลองสักข้อก่อนก็ได้นะปานาธิบาสักข้อก่อนเนี่ยเมื่อขึ้นไปเด่ย์ก็เป็นบันไดศีขาบทแปลว่าเก้าของการศึกษาเก้าของการศึกษาเป็นขั้นนะฮะเป็นขั้นกับบันไดอาจจะใส่ประณีดขึ้นไปด้วยหลายคนเราจะเห็นว่าคนเราตีฆ่าคนกับลักทรัพย์เนี่ยความเลวร้ายต่างกันนะฮะ คนค่าคนในจิตใจฮารุโคนมากกว่าเยอะกับคนรักทรัพย์เนี่ยคนรักรัพย์ไ ม, ไม่ไม่เท่าไรหรอกถ้าเทียบกับคนค่าคนเนี่ยนะฮะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าความหยาบของกิเลสมันจะต่างกันท่านเรียงมาจากความหยาบของกิเลสคนกินเหลา้าก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะวันจริงๆนอะ่ะมันก็บางทีก็เพื่อนลากๆไปเฉยๆไม่ไม่กิเลสไม่หยาบเท่าไรโง่มากหน่อยโง่มากหน่อยแต่นั้นเดนะ็กเนยแกโลภแก่ก็ไม่โลภอะไรเท่าไรหรอก ก็เวลาปฏิบัติจริงๆเราก็เอ า, า ท, ทนะา่าที่ทำได้นะฮะพยายามปฏิบัติไปเท่าที่ทำได้โอปนันญิโกคือน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติน้อมใจก็ไปหาธรรมะแล้วก็ต้องมองเห็นธรรมะที่จะปฏิบัติเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจะเรียกว่าโอหิปัสสิกังนิ้บารังเหมือนกันนะเป็นเฮอหิปัสสิกังนิ้บานางังโอปนันญกังนิ้บารังนิพานที่ต้องน้อมเข้ามาหา มาความน้อมใจครัไปหาแล้วก็สร้างสภาวะของนิพพานเนี่ยให้บังเกิดขึ้นเป็นความสุขเป็นความสงบภายในใจนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแต่ว่าเอาเพียงว่าทำยังไงละ่ะมันก็อยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนอะที่ที่ที่สวางเป็นหลักไว้เนี่ยว่าดูการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นที่ลดลงนะเคยทำแต่มันลดลงอ่ะก็ถือว่าเริ่มได้ผลหลัก แล้วก็ลดการเบียดเบียนคนอื่นลงไปลดการเบียดเบียนตนเองลนไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นการลดระดับเป็นระดับศีลนะฮะคุณจะเห็นว่าจุดนี้ที่จึงเป็นระดับศีลนี่เจิธรรมะนั้นเป็นการทําประโยชน์แก่ตนทําประโยชน์แก่บุคคลอื่นแล้วก็ทําได้ทั้งสองอย่างนั้นคือระดับของธรรมะ <S <S 2> <S 2> ก็กลับมาที่แนวคิดเดิมนะคือว่าเป็นเรากับพวกเราเป็นเรากับพวกเราคนเนี่มันเป็นเรากับพวกเรา แล้วก็มุ่งที่จะอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนกันเพราะว่าพวกพวกเดียวกันนะฮะมันจะเบียดเบียนกันทำไมทีนี้ไอแนวของการคิดเนี่ยปะัะณาสําคัญว่าแนวการคิดคือถ้าจับหลักให้ได้สักอย่างเนี่ยมันไปได้นะคนเนี่ยจับหลักให้ได้สักอย่างเดียวมันไปได้ ยัางนายจุกที่ราชบุรีที่เกล้าลชาติได้แก้มีคำอยู่คําเดียวตันน้งเอ่พวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดอีกเห็นใครทาบาปเนี่ยที่จะมีคำํำคำเดียวกับ น, นี้สอพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วต้องเกิดอีกเท่า น, นั้นแล้วแกก็ไม่ทําบาปเองเพราะแกกลัวการเกิดในนรกในจุกนี่แกตายนะตกบอดตายตายแล้วก็ มีญาติพี่น้องอะไรมาร้องผมร้องให้เยอะแล้วแกก็ไปปลอบญอาติพี่น้องแม่อะไรใครไม่พูดด้วยก็น้อยใจนะาะเด็กแกน้อยใจแม่ก็ไปพูดพ่อก็ไพูด<ะ>เอ้มองไปมองมาก็เอ๊ะทาไมเรานอนอยู่ไห น, นะจักสงสัยเอ๊ะทาไมเรา อ, อยู่ตรงนี้เอ๊ะทำไมเรานอนอยู่นนในบอ่อจนเขาเอาศพอะไรอะไรขึ้นมานะแกก็เนื้อแกตายแล้วก็เสียใจมากเลยพูดกับแม่ก็แม่แม่แม่พูดด้วย <im it> พูดกับพ่อก็อ พ, อ พ, อพ่อมันก็วิ่งกันเจิงไปเลน ก็ไปเจอก็มีคนแก่เอาผลมาไม้ให้แกไม่ยอมกินโกรธนะก็ลังโกรดน้อยใจมากไม่อยอมกินปัดมือเลยวิ่งก็ไปเจอกับป้าขาวป้าขาวก็ชวนอยู่ด้วยแกบอกคกคิดถึงแม่มากอยากจะไปเยี่ยมแม่ขอไปเยี่ยมแม่ของสาวันวนะชักชอบตัวร้วนนกันนะขอเยื่ยมสองสามวันแกมอกไปได้นะแต่สามวันโลกโมนุษย์นะเอสามวันที่นี้มันหกสิบปีโลกโมนุษย์นะ เลง60สิบิวหกสิบปีนะฮะและกก็ตายโยกสิีแต่แก้ม่ยอมทำบาปคือแกสั่งมาเลยประขาวสั่งมาสั่งไว้สองเรื่องนะหนึ่งห้ามกินข้าววัดกินข้าววัดนะฮะข้าววัดแล้วก็สองอย่าทำบาปก็ก็ไม่ใช่ไปไม่ใช่เรายกปินโตมาแล้วกินไม่ได้นะวว่าของของวัดนะฮะของวัดไปรักไปกระมยกินเนะี่ยก็ ก็ใครไปทําอย่างนั้นน่ะแกจะใช้คําเดียวคนนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดอีกเท่านั้นเองไงนะฮะจับเป็นหลักได้เลยหรืออย่างที่เคยยกตัวอย่างไม้หนุ่มคนหนึ่งบวชบาทีเนี่ยแกแกได้เคามาไม่แน่อยู่คําเดียวเนี่ยฮะแกก็เป็นหลักแจ้งแกได้อะไรก็ไม่แน่หมดเลยคือไม่หวังอะไรมากเกินไปแล้วพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเพราะแกรู้มันไม่แน่ จะผิดหวังมันก็ไม่แน่จะสมหวังมันก็ไม่แน่จะได้ตามที่หวังมันก็ไม่แน่ได้เกินที่หวังมันก็ไม่แน่เพราะว่ามันยังมีอีกตั้งเจ็ดสิบห้าปเซ็นะที่ยังไม่เกิดมันก็พร้อมท่จะเกิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านอยู่ที่ว่ามันจับหลักให้ได้หลักใจให้ได้สักข้อหนึ่งแล้วจะเป็นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำารงชีวิตได้ทรา น, นหลายจะเห็นว่าคำเหล่านั้นมักใช้ปัญญาในเป็นหลัก นะเช่นเช่นเนี่ยอัตตันยูมัตตันยูอัตถันยู่กาลันยูอะไรแตไรนี่ฮะบริสันยูอุปกรณ์ยูยูนี่คืออยาคือรู้นะคือรู้คือปัญญาการันยูเนี่ยที่มันยุ่งเวลานี่นะฮะกันอยู่ทางภาคภาคเหนือที่ยุ่งอยู่เนี่ยที่จริงมันเป็นปัญญาเป็นปัญญาคือคือรู้อุปกรณคขูที่ท่านทําแล้วและควรตอบแทนแทนด้วยความรู้ไม่ใช่แทนโง่ๆอย่างนั้น แล้วก็สอนกันจนเละหมดอะธรรมะทาให้เสียไปที่จริงเนี่ยธรรมะทุกๆตัวเนี้ยก็จะมีสติปัญญาอยู่คํานี้มันจะบอกฮะเห็นไม่รู้รู้อุปกรณที่คนอื่นทําแล้วแล้วก็ตอบแทนหมายความว่าต้องรู้ทั้งอุปกรณที่เขาทาแล้วก็ต้องตอบแทนแทนก็ต้องแทนด้วยรู้ไม่ใช่แทนด้วยโง่ว่าจะแทนยังไงจะตอบแทนยังไงจะเป็นความถูกต้องดีงามเหมาะสมไม่เอเยาตอบแทนมากเกินไปเพราะถ้า อะไรมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะแ ม, แม้แต่เราเป็นอุบาสกบาติกาี่จะทํา ท, ทานนะก็เรียกว่าสัพปริสตธรรเป็นผู้รู้เหงนเป็นผู้ผู้รู้เป็นสัพปริสตทานทานของผู้รู้ผู้รู้เป็นคนให้รู้อะไรรู้กํำลังรู้กำมังทรัพย์รู้กำมังศรัทธาก็แล้วทรัพย์เราขนาดนี้ศรัทธานขนาดนี้ก็ทำตัวเนี้ย ไม่ต้องไปแข่งอะไรนะแต่บางทีได้ไปเที่ยวต่างประเทศเพราว่าพอเห็นคนอื่นซื้อพรมถวายพระอาจารย์ตัวเองซื้อด้วยเลยเป็นนี่ไงพระอาจารย์ก็เลยเต่าพรมไว้เลยนี่อันนี้ก็คือก็คือมัอนนอกเรื่องเราต้องดูกํบบาลังซับความศรัทธาของเราซับเราขนาดนี้ศรัทธาเรากระไรเราก็ทําทําตามนั้นเพราะผลบุญนี่ต้องออกมาไม่เดือดร้อนหลักตรงนี้ต้องหลักนี่ต้องจับให้ได้เลย กิเลสลดแล้วไม่เดือดร้อนต้องไม่เดือดร้อนถ้าเดือดร้อนสแสดงว่าไม่ใช่ทําบุญหรโง่บุญมีความสุขเป็นผลน่ยนะฮะบุญต้องเป็นมีมีความสุขเป็นผลถ้ามีความทุกข์เป็นผลแล้วไม่ใช่แล้วต้องดูตัวนี้มันหมายความว่ามองเห็นมันทางระบบ ม, มองเห็นเป็นความต่อเ น, นี่อปัจจิตางวีตตโบวิญยุหิวิญยุชนจะรู้ได้เฉพาะต ร, ตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะเวลาใช้เต็มที่เนี่ยท่านใช้ เราจะตั้งเวดีตโววินยูอ่านิปนานังเหมือนกันหมายความเป็นนิพพานที่รู้ได้เฉพาะตนแต่ว่าอย่าลืมานิพพานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสูงสุดอย่างเดียวเป็นการเรียงตามลาําดับนิพพานเปรวัตดับเปรวัตดับหรือวัตสุหรือว่าสงบหรือว่าเย็นนะเราจะเห็นว่าความไม่ความทุกข์ความไม่สงบความเดือดร้อน มันเกิดขึ้นจากกิเลสนะกิเลสมากเท่าไหร่เนี่ยความรุนแรงมากเท่าไรโลภะโทสะมากเท่าไร่ในสมาคมใดก็ตามเราจะเห็นว่าถ้าโลโลภะโทสะมามากแล้วก็มั่วเลยนวมโนเนียมหมดเลยตีกันในระนาดเลยนะเป็นจลา จ, จนนะพาจลา จ, จนต่างๆต่างประเทศเราจะเห็นว่ามันมันมันเวรกรรมจริงๆตัวนี้มาเป็นมากำบังกลัวมากกลัวเรื่องเวลาต่อไปที่เรารับอะไรจากดาวเทียมนะนะ เดี๋ยนี้ก็รับกันเยอะแล้วดาวเที่ยมก็ไม่ตัดต่อนะฮะผาพีการข่าวคราวต่างความรุนแรงต่างเนี่ยก็ไม่ตัดต่อเดี๋ยวเด็กมารับเด็กดูแล้วมันจะซึมซับไปเรื่อยเืมันจะมีความคิดเนี่ยรุนแรงต่อทั้งคมเทศการสิบสี่ตุลาคมเนี่ยมันเกิดขึ้นใกล้รยยในนิตีวิทยาเยทียมาต้องเอาเด็กโรงเรียนนตรีวิทยามาอบรมมายี่สิบปีแล้วนะฮะยี่สิบปีแล้วมาอบรมทีเนี้ย เด็กม .1 ต้องผ่านหลักสูตรบริหารจิตหมดเลยเพราตอนนั้นเด็กที่นี่ก้าวร้ามากรุนแรงมากไปชิงชังผู้ใหญ่เพราะมันเห็นอะไรต่างๆก็มองทางหน้าต่างไปเห็นี่ยนะเด็กมือยืนดูกันตัวมันดูตังหลายวัดเนี่ยนะมันก็เห็นมันก็เก็บความรู้สึกตัวนี้เอาไว้แล้วก้าวร้าวเดือดรุนแรงชิงชังเทียงพ่อแม่ไม่เขาครูวางาจารย้มันใหญ่เลยนั่งวางแผนกันกับครูบาอาจารย์ได้ทำไงเดีอะ บอกเอามาต้องนั่งสงบมาให้ดูตัวเองไนะไม่รู้จะตอบยังไงมันเด็กตั้งเยอะเลยเกินเนี่ยนะนั่งสมาธิเมื่อก่อนเนี่ยเข้าหมดตอนโรงเรียนมาไปที่โรงเรียนนี่ยขอประชุมใหญ่นั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิกันแล้วก็สอนให้ดูจิตให้แก้ให้ให้ให้ให้คิดเฉยๆนะให้คิดเฉยๆให้แค่คิดแล้วก็ต่อต่อมาตรงนี้ก็เราเข้ามาที่สมาธิคือให้นั่งเรียกบริหารจิตไม่จะถึงก็เอาสมาธิจริงๆแต่ว่าเสริมที่ให้รู้จักคิด ให้เขาใจคิดให้เข้าใจแยกแยะอะไรต่ไรได้อย่าให้มันเกิดชิงชังอะไรรุนแรงไปกหาเรื่องที่แบกโลกอะไรตววุ่นวายก็ตัวนี้เราเราต้องอาศัยความเป็นวินยูชนคนรู้ดีรู้ชอบนะฮะวินยูชนวินยูชนเนี่ยแปลว่าผู้รู้พิเศษหมายความมารู้เหนือคนอื่น ที่รู้เป็นความรู้ที่สามารถจะจะแยกแยะสิ่งทั้งหลายได้แล้วก็ลดละในส่ตรที่ไม่ดีลงไปได้เพิ่มพูนในสิ่งที่ดีที่ดีขึ้นมาได้และพอปฏิบัติไปแล้วเอาควาจริงเราก็เห็นด้วยตัวเรามันไม่มีใครคือเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราเห็นว่าสูตรหลักหลที่ทรงสอนเนี่ยสุตติอสุท ธ, ธิปัจจตังนานโยอันอย่างมิโสเทเย ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคนหนึ่งจะทำคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้หรือคนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้เป็นคนไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าเขาบริสุทธิ์เห็นไหมมันอยู่ที่เขาทำยังไงไม่ใช่อยู่ที่ใครว่าเขาทำยังไงความเปลี่ยนแปลงของคนมันอยู่ที่เขาทำไม่จะอยู่ที่คนอื่นว่าเขาทำ ก็เหมือนตรงนี้แหละเหมือนเห <g ười> มือนเหมือนเหมือนที่ที่นิกายเส้นที่ว่าผู้ผู้หญิงมีท้องเข้าพ่อแม่สักถามไว้ท้องก้าใครมาแกก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็โยนแม่ไปให้หลวงพ่อเลยท้องก็หลวงพ่อที่วัดยุ่งกันจงังแม่ก็กลัวไปทุกข์กด่าใหญ่ด่าหลวงพ่อไปทับเด็กท้องหลวงพ่อออกเขาว่าอย่างนั้นเลยเขว่าอย่า ง, งนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะตอบอยังไงก็ท่านท่านไม่รู้เรื่องอย่าะไร คุณว่าก็ว่าไปแต่ว่าเออเขาว่าอย่างนั้นเหรอเสร็จแล้วพอพอเด็กคลอดเนี่ยเอาไปให้ลวงพ่อเลี้ยงเลยแม่เอาไปให้เลี้ยงอ๋อเขาว่าอย่างนั้นไปอังก็เลี้ยงอย่างเลี้ยงก็เลี้ยงเราให้เด็กไปเลี้ยงเรเลี้ยงเราเลี้ยเสร็จแล้วเด็กมันกลัวบาปเด็กผู้หญิงกลัวบาปไปสารภาพกับแม่แม่ก็ลูกพ่อแม่ครอบครัวก็แหกันไปไม้ไม้ทีนี้เอาดอกไม้ตัวเองมาขอเข้ามาโทษ่ขอลูกคืนขอโทษหลุงพ่อที่ที่ลงเกินกระร้าหลวงพ่อว่าอ๋เขาว่าอย่างนั้น ก็มีอยู่สามคำนั่นเงพูดสามทีพูดสามทีก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงอ่ะเราไม่ได้ทํานี่เราไม่ได้ทำเราจะว่าอย่างไงแก้ตัวมันก็อีกอ่ะผู้ร้ายปากแข็งอยีกเสียเวลาพูดไปไม่ได้เรื่องหรอกก็คุณว่าอย่างนั้นน่ะแต่เราไม่ได้บอกเราว่าอย่างไงอ๋อเขาว่าอย่างนั้นไม่เห็นไหมท่านถามสามคำนั่นเองถ้าพูดสามคำออกเขาว่าอย่างนั้นตอนเขาไปด่าเขาไปลูกไปให้ออกเขาว่าอย่างนั้นน่ะพอกเขารู้ว่าเขาผิดขอคํามาโทษออกเขาว่าอย่างนั้นเนี่ย สามครั้งสามรั้งจบเนี่คือคือคือความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนเป็นสันทิติการเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ใยใจครับเป็นากายการเห็นได้โดยไม่ถูกกาดจํกากัดโดยกาลาเวลาเป็นเอหิปัสสิกังมาดูมาพิสูจน์ประสวจสอบได้นะทางด้านของการศึกษาทางด้านการคิดทางด้านการปฏิบัติต้องโอปปนิกังคือต้องน้อมนํามา แล้วก็เป็นปัจจังวตถีภูมิโยชนเป็นเรื่องของวิญยูชนเท่านั้นที่จะรู้เฉพาะตัวราะคนบางทีเนี่ยไปสะสมบาปไปเพิ่มบาปขึ้นโดยใช่เหตุอะไรแต่ว่าคนนั้นนินทาคนเนีนคนนันนนนงงน้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มันก็เรื่องอะไรลราอื้อเขก็ทําบาปไปแล้วมันเรื่องอะไรเราทําบาปด้วยและเขาทําบาปเราก็ไม่ทําบาปตามเขาไป อย่าทำบาดตามเขาอย่าทำบาดตามคนอื่นพรเจ้าทรงสอนวนาเปรเรสังวิโลมานิณาเปรเรสังอากตากตังอย่าไปสนส น, สนใจถ้อยคำหยาบคายร้ายกาจคนอื่นเรื่องที่ทำแล้วหรือไม่ได้ทำคนอื่นจะดีหรือไม่ดีมันเรื่องของเขาว่า ค, าคุณรับผลเขาเองอะคุณรับผิดชอบตัวคุณไม่ใช่ไปยุ่งอย่า ว, วุ่นวายคนอื่นอัตโนวาเวคขยะ กตานิอกตานิจให้ตัวสอบดูถึงเรื่องที่เราทำแล้วหรือว่าเรายังไม่ได้ทำคือคนก็ลืมไปไอตัวที่นั่งนั่งนินทาคนอื่น่ะงานการตัวเองก็ไป่ทำคือไม่ได้ดูตัวเองนั่งนินทาคนอื่นก็ตัวเองก็เลยทำอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละก็คุณที่นั่งหรที่นั่งพูดนินทาเขาอ่ก็คือการคุณก็ไม่ได้ทำสาราประโยชน์อะไรแล้วก็สะสมบาปเลย สมบัติตัวเขาทำเขาก็บาปเขาอะเราทำก็เราก็บาปเราเพราะความคิดตรงนี้ที่นางประตาจาราติท่านท่านท่านเตือนนี่เพราะมากเลมาว่าเพราะมากเลยเรามาด้วยกรรมของเราอยู่ด้วยกรรมของเราไปด้วยกรรมของเขาไปด้วยกรรมของเราเขาเขาก็มาด้วยกรรมของเขาก็อยู่ด้วยกรรมของเขาเขาไปด้วยกรรมของเขาต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปด้วยกรรมของแต่ละคน เรารับผิดชอบจริงๆเนี่ยเรารับผิดชอบเฉพาะเราคนอื่นเนี่ยเราใจนว่าอย่างโลกเนี่ยเราช่วยได้แค่ป้อนอาหารให้เราคืนแทนไว้ได้ แ, แค่ป้อนให้แต่นั้นเดียวก็แคนั้นเนี่ยนะฮะเพราะงั้นถ้าคนเรามีจิตสํานึกตรงนี้ได้เนี่ยลดบาปลงไปได้เยอะอยูไม่ต้องหาเรื่องไม่ต้องหาเรื่องสร้างบาปไปด่าคนเดินไปด่าคนขับรถไปด่าขนตกว่างๆไปด่าหมาเขา หาเรื่องเวลาไม่ได้เรื่องางไรแต่นี่คือคือคือเป็นเรื่องของธรรมปฏิบัติที่ทรงสอนตามหลักของพระธรรมกุณนะฮะเป็นโครงสร้างหลักวันนี้ก็ข อ, อุติไว้วเวลาเป็นเท่า น, นี้ที่สุดดีขาความจเจริญ ง, งอกงามไปบูตในธรรมจงมีแต่ท่านสาธนหลายโดยทั่วการทุกท่านเถิ